เราเทศปัญญาปละมีกันเพื่นแปลกันมากแต่หลวงพ่อไปปฏิบัติแล้วไม่อยากปัญญาปละมีสัมปัโนโนอิติปิโสภะควาเพื่นว่าปัญญาปละมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาเพื่นเทศกปัญญายุเปโตสุขโต ว, วิตละหอพา เ, ยเยสยยะเสโกทัศัญญาณทาโลโยโลกนาโทหิตาถังวักจินเตณะปปังสุขตังศีรสาณามามิเพื่อว่ามันนั้นเหมือนอยาง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 อบรมเดียวซีเนี่ยข้วมถูกต้องและควมพลาดผิดควมถูกต้องคือลูกของจริงควมพลาดผิดลเนี่ยว่าเป็นพิษเป็นกิเลสเป็นปสสนิพพานูเป็นจินตาานเป็นวิปลาสปญะนั่นแะ่ะมันมีหลายเรื่องแต่ควมจริงเมื่อรู้เทาทันเหตุการณ์แล้วกว็เรื่องเดียวสั้นๆเรื่องเดียวสั้นๆแต่มันก็ไม่สั้น